แปลยกศัพท์ภาคที่หนึ่งเรื่องที่สี่เรื่องนางยักษินีกาลียักษินิยาอุปัตติวัตุอันว่าเรื่องแห่งความเกิดขึ้นแห่งนางยักษินีชื่อว่ากาลีอัญญบทไมายาอันข้าพเจ้าอัญญบทวุจเ ต, เตเจะเกล่าวจบประโยคส์ัทา อันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวนเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวันอารพะทรงปรารภวันชิดถิงซึ่งหญิงหมันัญยตรังคนใดคนหนึ่งกเทสิตรัสแล้วธรรมเทสนังซึ่งพระธรรมเทศนาอีมังนี้ว่านหิเวเรนะเวลานิ อิติดังนี้เป็นต้นจบประโยคกีระได้ยินว่ากุตุมพิกะปุโตอันว่าบทของกุฎมพีเอโกคนหนึ่งปิตริครันเมื่อบิดากาละกะเตเป็นผู้มีกาละอันกระทำแล้วอัญญบทสันเตมีอยู่กระโลนโตกระทำอยู่สัพพก ร, รมมานิ ซึ่งการงานทั้งปวงทั้งหลายเคเตจะในนาด้วยคเรจะในเรือนด้วยอัตนาวะด้วยตนเที่ยวปฏิชคิปฏิบัติแล้วมาตรังซึ่งมารดาเประโยคอัฐะครั้งนั้นมาตาอันว่ามารดาอาหะกล่าวแล้วอาาัสะอัญยบปุลตะสะแก่บุตรนั้นว่า ตาตดูก่อนพ่ออัญญบทอาหังอันว่าเราอาเนสามีจากนํามากุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาเตแก่เจ้าอิติดังนี้จบประโยชน์อัญญบทโสอัญญบทปุตโตอันว่าบุตรนั้นอัญญบทอาหะกล่าวแล้วว่าอา ม, มะฆ่าแต่แม่อัญญบทตุมเห อันว่าท่านมาวเทถะจงอย่ากล่าวเอวังอย่างนี้จุลภาคอาหางอันว่ากระผมปฏิชกิสามิจะปฏิบัติตุมเหซึ่งท่านยาวชีวังสิ้นการกำหนดเพียงไรายแห่งชีวิตอิติดังนี้จบประโยคอัญญบทสาอัญญบทมาตาอันว่ามารดานั้น อัญบอาหะ ก, กล่าวแล้วว่าตาตะดูก่อนพ่อตะวางเอวะอันว่าเจ้าเทียวกโรสิย่อมกระทํากิจจังซึ่งกิจเขเ ต, เตจะในนาด้วยเทรจะในเรือนด้วยจุลภาคเตนะพระเหตุนั้นจิตตสุขังนามะชื่ออันว่าความสุขแห่งจิตไม่หังของเรานะโหติย่อมไม่มี จุลภาคอัญญบทอาหางอันว่าเราอาเนสสามิจากนำมาอัญญบทกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาเตาแก่เจ้าอิติดังนี้จบประโยคโสอัญญบทปุตโตอันว่าบุรนั้นผูนปูนางปฏิคิปิตวาปิแม้ห้ามแล้วบ่อยๆตุนฮีเป็นผู้นิ่ง อโหสิได้เป็นแล้วจตประโยคสาอัญญบดมาตาอันว่ามารดานั้นนิคมิออกไปแล้วเขหาจากเรือนคันตุงเพื่อนไปกุลังสู่ตระกูลเอกังหนึ่งจตประโยคอาถระครั้งนั้นปุตโตอัญมบุตรปุจิตวาถามแล้วนางอัญญบทมาตรังซึ่งมารดานั้นว่า เปิดเล็กนอัญญบทุมเห อ, อันว่าท่านข้าชถาจงไปกตระกุลังสู่ตระกูลไหนอิติดังนี้จุลภาคอัญญบทวัจนีครั้นเมื่อคาว่าเปิดเล็กนอัญญบทอาหางอันว่าเราอัญญบทข้าฉามิจะไปอสุกังนามะอัญญบทกุลัง สู่ตระกูลชื่อโนนอิติดังนี้อัญญบทมาตราอันมันดาวุตเตกล่าวแล้วจุลภาคปฏิเสเทศตวาห้ามแล้วคมนังซึ่งการไปตาทะอัญญบทกุเลในตระกูลนั้นอาจิขิบอกแล้วกุลังซึ่งตระกูลอัตโนอภิรุจิตัง อันอันตนชอบใจยิ่งแล้วเจประโยคสาอัญญบทมาตาอันว่ามารดานั้นคันตวาไปแล้วตะทะอัญญบทกุเลในตะกูลนั้นวาเรตวาขอแล้วกุมาริกังซึ่งกูมาริกาววัตถเปตวากำหนดแล้วทิวสังซึ่งวันอาเนตตวา น, นำมาแล้ว ตังอัญญบทกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกานั้นอาการสิได้กระทำแล้วคะเรในเรื อ, ต อ, ญญตรอนตัสะอัญโตบดพุทตศาของบุตรนั้นจ้ประโยชน์สาอัญญบทกุมาริกาอันว่านางกุมาริกานั้นวัญชาเป็นหญิงหมันอโหอสิได้เป็นแล้วจ้ประโยคอาถะครั้งนั้น มาตาอันว่ามันดาอัญญบทวัตวากล่าวแล้วว่าเปิดเล็กในพุตธะดูก่อนบุตรตวางันว่าเจ้าอัญญบทไม่ยังอย่างเราอาณาเปสิให้นำมาแล้วกุมาริกังซึ่งนางกุมาริการุจิยาตามความชอบใจอัตโนของตนจุลภาคอิทานี้ในการนี้ สาอั ญ, ญบทกุมาริกาอันว่านางกุมาริกานั้นวันชาเป็นหญิงหมันชาตาเกิดแล้วจุลภาคจะ ก, ก็กุลังอันว่าตะกูลอปุตตะกังนามะชื่ออันมีบุตรหาไม่ได้วินสสติย่อมชิบหายจุลภาคประเวณีอันว่าเชื้อสายอั ญ, ญบดปุเตนะอันบุตร นคติยติย่อมไม่สืบต่อชุลภาคเตนะพระเหตุนั้นอัญญบทอาหางอันว่าเราอาเนสามิจักนำมากุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาอันยังอื่นเตแก่เจ้าอิติดังนี้นางอั ญ, ญบทปุตังกบุตรนั้นประโยครวบเตนะอัญญบทปุเตนะ เล็กนอลังอัมมะอิติวุจมานาปิแม้ผู้อันบุตรนั้นกล่าวอยู่ว่าข้าแต่แม่อันว่าอย่าเลยดังนี้กเ็เถสิกล่าวแล้วปุณปูนางบ่อยๆจบประโยควันชิตีอันว่าหญิงหมันสุตว่าฟังแล้วกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวดังนั้น จินเตตาวาคิดแล้วว่าเปิดเลกในปุตตานามะชื่ออันว่าบุททั้งหลายนาสกนติย่อมไม่อาจอาติกะมิตุงเพื่อนก้าวล่วงวจนัางซึ่งคำมาตาปิตูนางของมารดาและบิดาทั้งหลายจุลภาคอีธานิในการนี้อัญญบทสัสสุอั น, สสอนว่าแม่ผัวอาเนตตวานำมาแล้ว ถิงซึ่งหญิงวิชาญินิงผู้คลอดโดยปกติอันอย่างอื่นพุ่นจิสติจากใช้สอยมังซึ่งเราทาสีโภเขนะด้วยการใช้สอยเพียงดังทาสีจุลภาคยันนูนะฉนไหนหนออาหางอันว่าเราอาเนยังพึงนํามากุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาเอกงคนหนึ่งสยังเอวะ เองนั่นเทียวอิติดังนี้กันตวาไปแล้วกุลังสู่ตรูลเอกังตระกูลหนึ่งวาเรตตวาขอแล้วกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาอัายะเพื่อประโยชน์ตรัสะอัญญบทสามิกสะแก่สามีนั้นเปิดเล็กในประโยครวบอัญญบทตะวงังกิงนามะเอตังอั ญ, ญบท วจนังอัมมะวะเทสิอิติเตหิอัญยบทเชเนหิปฏิคิตาผู้อัญชนทั้งหลายเหล่านั้นห้ามแล้วว่าดูก่อนแม่อันว่าเธอย่อมกล่าวซึ่งคำนั่นชื่ออะไรดังนี้ยาจิตตวาอ้อนวอนแล้วว่าเปิดเล็กในอาหางอันวาดิฉันวัญชาเป็นหญิงหมันอัญยบทอัมหิย่อมเป็น จุลภากุลางันว่าตระกูลอปุตตกังอันมีบุตรหาไม่ได้วินสติย่อมชิบหายจุลภาคทีตาอันว่าธิดาตุมหากังของท่านทั้งหลายปฏิละิตาวาได้เฉพาะแล้วปุตตังซึ่งบุตรประรวบกุตุมพัสสะสามินีจะเป็นเจ้าของแห่งลุมทัพย์ภวิสติจักเป็นจุลภาค อัญญบทุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเทถะขอจงให้ตั้งอัญญบ ท, ทีตรังซึ่งนางธิดานั้นสามีกษัสริเกามีไม่หังของดิฉันอิติดังนี้อัญญบทเตอัญญบทเนียังชนทั้งหลายเหล่านั้นสำปฏิดฉาเปตตวาให้รับพร้อมเฉพาะแล้วอาเนตวานำมาแล้วอาการสี ได้กระทำแล้วคขเรในเรือนสามิกษัของสามีจะประโยคอาถะครั้งนั้นเอตังอัญญบทจินตนังอันว่าความคิดนั่นว่าเปิดเล็กในสาเจทวะอยังอัญญบทกุมาริกาอันว่านางกุมาริกานี้และพิสติจักได้ปุตตังวา ซึ่งบุตรหรือที่ตรังวาหรือว่าซึ่งธิดาไซจุลภาคอายังอัญโยบดกุมาริกาเอวะหันว่านางกุมาริกานี้นั่นเทียวโกตุลพัสสะสามินีจากเป็นเจ้าของแห่งขุมทรัพย์พระวิสติจากเป็นจุลภาคอัญโบทอยังอัญโบทกุมาริกา อันว่านางกุมาริกานี้ณนะลัตปฏิย่อมไม่ได้ทารกังซึ่งทารกยะถาโดยประการใดจุลภาคประโยครวบตถาเอวะอัญญบทไมยานางอัญญบทกุมาริกังกาตุงอันว่าอันอันเรากระทาซึ่งนางกุมาริกานั้นโดยประการนั้นนั่นเทียววัตติย่อมควร อิติดังนี้อโหสิได้มีแล้วอัฏฐาอั ญ, ญบทวันชิตถิยาแก่หญิงหมันนั้นจดประโยชน์อถฐะลำดับนั้นอั ญ, ญบทสาอั ญ, ญบุตรวันชิตถีอันว่าหญิงหมันนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าเปิดเลขในคับโพอันว่าสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันปฏิทถาติย่อมตั้งอยู่เฉพาะ กุชิยังในท้องเตยของท่านยทาในการใดจุลภาคอัญญบทตวังอันว่าท่านอารโรเจยาสิเพิ่งบอกแจ้่มีแก่เราตาธาในการนั้นอิติดังนี้นางอัญญบทอิถิงจะหญิงนั้นจ้ประโยคสาอัญญบทอิถิอันว่าหญิงนั้นปฏิสุตวา ฟังตอบแล้วว่าเปิดเล็กในสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้คาเพครันเมื่อสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันปฏิทิเตตั้งอยู่เฉพาะแล้วจุลภาคอารโรเจสิบอกแจ้งแล้วตาสาอนันนบทวันชิตธิยาแกหญิงหมันนั้นจบประโยคป์ปะนะก็สาเอวะอันยบทวันชิตถิ อันว่าหญิงหมันนั้นนั่นเทียวเทติย่อมให้ยาคูพัดตังซึ่งข้าวยาคูและพะัดตาจาอัญโยบทิทยาแก่หญิงนั้นนิจจังตลอดการเป็นนิดจะประโยคอาถาครั้งนั้นอัญโบทสาอัญโยบทวันชิตถีอันว่าหญิงหมันนั้นอนถาสิได้ให้แล้วข้าพระปาตานะเพศจัง ซึ่งยาเป็นเครื่องยังสัตผู้เกิดแล้วในคันให้ตกไปอาหารเรนะเอวะสัตทิงกับด้วยอาหารนั่นเทียวตาสาอั ญ, ญบอิทิยาแก่หญิงนั้นจะประโยชน์ข้าโพอันวาสัตผู้เกิดแล้วในคันปฏิตกไปแล้วจะประโยคคข้าเพครั้นเมื่อสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันปฏิทิเตตั้งอยู่เฉพาะแล้ว ทุติยังปีแม้ครั้งที่สองอัญญบทสาอัญญบทอิถีอันว่าหญิงนั้นอาโรเจสิบอกแจ้งแล้วตัดษาอัญญบทวันชิติยาแก่หญิงหมั่นนั้นเจ้าประโยคอิตราปิอัญญบทวันชิตถีอันว่าหญิงหมัน่นแม้นอกนี้อัญญบทครัพังยังสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันปาเตสิ ให้ตกไปแล้วตาถาเอวะเหมือนอย่างนั้นนั่นเดียวทุติยังปิแม้ในครั้งที่สองจบประโยคอาถะครั้งนั้นปฏิวิสกิตทิโยอันว่าหญิงผู้คุ้นเคยทั้งหลายผู้จิงสุถามแล้วนางอัญญบทิถิงซึ่งหญิงนั้นว่าเปิดเล็กในอัญญบทิถีอันว่าหญิงสปตี ผู้เป็นไปกับด้วยผัวกรติย่อมกระทาอันตรายังซึ่งอันตรายเตแก่เธอกัญจิและหรืออิติดังนี้จบประโยคสาอัญญบทอิถีอันว่าหญิงนั้นอารเจตวาบอกแจ้งแล้วอาถังซึ่งเหนือความตัางนั้นเปิดเลขในประโยครวบอันทภาเลกสมา เปมาปุณะเอวังอากาสีอิติเปิดวงเล็บตาหิปฏิวิสกิจถิหิปิดวงเล็บวุตตาผู้อันหญิงผู้คุณนเคยทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าเปิดเลขในอันทภาเลลูก่อนหญิงผู้อันทพานอัญบทตวงังอันว่าท่านเอวังอากาสิ ได้กระทำแล้วอย่างนี้กัสมาเพราะเหตุอะไรจุลภาคอายังวันชิถีอันว่าหญิงหมา น, นี้โยเชตวาประกอบแล้วกภะพะปาตนะเพศจังซึ่งยาเป็นเครื่องยังสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันให้ตกไปเทติย่อมให้ตว่างแก่ท่านอิสริยะพระเยนะเพราะความกลัวแต่ความเป็นใหญ่จุลภาค เตนะพระหตนนั้นครับโพอันวา่าสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันเตของท่านปาตติย่อมตกไปจุลภาคอัญญบทตะวังอันว่าท่านมาปุณะเอวังอากาสิอย่าได้กระทำแล้วอย่างนี้อีกอิติดังนี้นักต่เถสิไม่บอกแล้วตติยาวาเรในวาระที่สามจ้ประโยค อาถาครั้งนั้นอิตราอัญญบทวันชิตถีอันว่าหญิงหมันนอกนี้ทิสวาเห็นแล้วอุธรังซึ่งทอง้องอาสาอัญญบทิทยาของหญิงนั้นวัตวากล่าวแล้วว่าเปิดเลขนอัญญบทกวังอันว่าท่านนากระเถสิย่อมไม่บอกประโยครวบข้าพสะปฏิทิตะภาวัง ซึ่งความที่แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันเป็นผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วไม่หางแก่เรากรสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้จุลภาคอัญบทวจเีครั้นเมื่อคําว่าเปอร์เล็กในก็ ว, นว่างอันุท่านอาเนตตวานํามาแล้วมังซึ่งเราคระพังยังสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันปาเตสิให้ตกไปแล้ว วาเรสิ้นวาระทั้งหลายททเวสองจุลภาคอัญญบทอาหางอันว่าเรากาเทมิจะบอกตุยหังแก่ท่านกีมดถังเพื่อประโยชน์อะไรอิติดังนี้อัญญบทตายะอัญญบทอิตยาอันว่าหญิงนั้นมุตเตกล่าวแล้วจุลภาคจินเตตวาคิดแล้วว่าเปิดเล็กใน อีธานี้ในการนี้อัญยบทอาหังอันว่าเรานัทถาเป็นผู้ชิบหายแล้วอามหิย่อมเป็นอิติดังนี้โอโลเกนตีแลดูอยู่ประมาทางซึ่งความประมาทตัดสาอัญยบทอิทิยาของหญิงนั้นจุลภาคคาเพครั้นเมื่อสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันปริณเต แก่รอบแล้วจุลภาคและพิตาวาได้แล้วโอกาสังซึ่งโอกาสโยเชตตาวาประกอบแล้วเพศสัชังซึ่งยาอาทาสิได้ให้แล้วจ้วประโยคครับโพอันว่าสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันอนสักรนโตไม่อยากอยู่ปฏิตุงเพื่อนตกไปอัญญบทครับภสษา ปริณ ต, ตาตาพระความที่แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันเป็นผู้แก่รอบแล้วนิปชินอนแล้วติริยังขวางจดประโยคเวทนาอันว่าเวทนาติพาอันกล้าคราอันแข็งอุปชิเกิดขึ้นแล้วจดประโยคอัญญบทสาอัญญบทอิถีอันว่าหญิงนั้น ป้าปุนิถึงแล้วชีวิตสังสยังซึ่งความสงสัยในชีวิตจ้ประโยคสาอั ญ, ญบทอิทธิอันว่าหญิงนั้นถ้าเป็ดตว่าตั้งไว้แล้วปรานางซึ่งความปรารถนาว่าเปิดเล็กในอัน ญ, ญบทอาหางอันว่าเราตายานาสิตาเป็นผู้อันท่านให้ชิบหายแล้วอัมหิย่มเป็นจุลภาค ตวังเอวะอันว่าท่านนันเทียวอานิตตวานำมาแล้วมังซึ่งเราทารเกยังทารกทั้งหลายตโยสามนาเสสิให้ชีบหายแล้วจุลภาคอิธานิในการนี้อัญญบทอาหังอันว่าเรานัสสามิจากชีบหายสายังปีแม้เองจุลภาคอัญญบทอาหังอันว่าเรา จูตาเคลื่อนแล้วอีโตอัญญบทอัตภาวโตจากอัตภาพนี้อิธานิในการนี้ยักษินีเป็นนางยักษินีหุตวาเป็นตะวะทารเกคาทิตุงสมัสถาเป็นผู้สามารถเพื่อนเคี้ยวคินซึ่งทารกทั้งหลายของท่านหุตวาเป็นนิพพัตเตยังพึ่งบังเกิด อิติดังนี้กตวารกระทำแล้วกาลังซึ่งกาละมัชารีเป็นนางแมวหุตวาเป็นนิปฏิบังเกิดแล้วตาสมิงเอวะเคเหในเรือ น, นนั่นเทียวจบประโยคสามิโกอันว่าสามีคาเหตตวาจับแล้วอิตรังปิอัญญบทมัญชิตถิงซึ่งหญิงหมันแมมนอกนี้ อั ญ, ญบดหวตวากล่าวแล้วว่าเปิดเล็กในเมกุลุปัเฉโทอันว่าการเข้าไปตัดซึ่งตระูลของเราตยาอันเธอกระโตกระทำแล้วอิติดังนี้โปเทศิโบยแล้วสุปโปทิตังโบยแล้วด้วยดีกับพรชั น, นุกาทีอั ญ, ญบดอวยะเวหิ ด้วยอวัยวะทั้งหลายมีสอกและเข่าเป็นต้นจบประโยคสาอัญยบทวันชิตถีอันว่าหญิงหมันนั้นกระตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละอาพาเทนะด้วยอาพาตเตนะเอวะนั้นนั่นเทียวกูกุตีเป็นแม่ไก่หุตวาเป็นนิพพติบังเกิดแล้ว ตทาเอวะอั ญ, ญบดเคเหในเรียนนั้นนั่นเทียวโจประโยนคนกุกุตีอันว่าแม่ไก่วิชาห ย, ยิตกแล้วอันธานี้ซึ่งฟองไข่ทั้งหลายนาจีรศะเอวะตองการไม่นา น, นั่นเทียวโจประโยคมัชารีอันว่าหนางแมวอาคันตวามาแล้วขาทิเคียวกิดแล้วตานิอัญญบทอันธานี้ ซึ่งฟ้องไข่ทั้งหลายเหล่านั้นเจ้ประโยคอัญมบทมัชารีอันว่าหนางแมวขาที่เอวเขียวกลิตแล้วนั่นเทียวทุติยามปิแม้ครั้งที่สองตาติยามปิแม้ครั้งที่สามเจ้ประโยคกูกุตีอันว่าแม่ไก่กตวากระทําแล้วปัทนางซึ่งความปรารถนาว่าเปิดเล็กในอัญมบทตวัง อันว่ท่านคาทิตวาเขี่ยวกินแล้วอันทานี้ซึ่งฟองไข่ทั้งหลายมามากของเราวาเรสิ้นวาระทั้งหลายตโยสามมังปิคาทิตุ ก, กามาเป็นผู้ใครเพื่ออันเคี่ยวกินแม้ซึ่งเราอาศิย่อมเป็นอีธานี้ในการนี้จุลภาคอัญญบทอาหางอันว่าเราจุตาเคลื่อนแล้ว อิโตอัญญบทอัตภาวโตวจากอัตภาพนี้อิทานิในการนี้และเผยอย่างพึงได้ขาที่ตุงเพื่อนเคี้ยกินตังซึ่งทันสะปุตตกังผู้เป็นไปกับด้วยบุตรน้อยอิติดังนี้จุตาเคลื่อนแล้วตาโตอัญญบทอัตภาวโตวจากอัตภาพนั้นที่ปีนีเป็นแม่เสือเหลือง หุตวาเป็นนิพติบังเกิดแล้วโจประโยคอิตราปิอัญบทมัชารีอันว่านางแมวแม้นอกนี้มิกีเป็นแม่เนื้อหุตวาเป็นนิพติบังเกิดแล้วโจประโยคนที่ปินีอันว่าแม่เสือเหลืองอาคันตวามาแล้วคาทิเคี่ยวกินแล้ว ปุตเกซึ่งลูกน้อยทั้งหลายวาเรสิ้นวารัทั้งหลายตโยสามตสาอัญญบทมิขยาวิชาตะวิชาตะกาเลในการแห่งแม่เนื้อนั้นทั้งคลอดแล้วทั้งคลอดแล้วจะประโยคมิขีอันว่าแม่เนื้อกตะว่ากระทำแล้วปัทนังซึ่งความป ร, รารถนาว่าเปิดเล็กไนปุตตาอันว่าลูก ทั้งหลายเมของเราอิมายะอัญญบทที่ปิณิยาอันแม่เสือเหลืองนี้ขาทิตาเคียงกินแล้วติคตุงสิ้นสามครั้งจุลภาอิธานิในการนี้อัญญบทอยังอัญญบทที่ปิณีอันว่าแม่เสือเหลืองนี้ขาทิสติจะเคี้ยกินมังปีแม้ซึ่งเราจุลภาค อัญมบทอหังอันว่าเราจูตาเคลื่อนแล้วอีโตอัญญบทอัตตภาวะโตจากอัตภาพนี้อีธานิในการนี้และเผยยังพึงได้ขาทิตุงเพื่อนเคี้ยวกินเอตังอัญมบทที่ปีหนิงซึ่งแม่เสือเหลืองนั่นสัพพุตตกังผู้เป็นไปกับด้วยบุตรน้อยอิติดังนี้มรณะกาเล ในการเป็นที่ตายกัตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละยักกินีเป็นนางยักษ์ศีนีฮุตวาเป็นนิปติบังเกิดแล้วจประโยคทีปินีปิแม้อันว่าแม่เสือเหลืองจูตาเคลื่อนแล้วตาโตอัญญบทอัตาภาวโตวจากอัฐภาพนั้นกุลธีตาเป็นนางกุลธิดาหุตวาเป็น นิปฏติบังเกิดแล้วสาวัถียังในพระนครชื่อว่าสาวัถิจบประโยคสาอัญญบทกุลธีตาอันว่านางกุลธิดานั้นวุธิปปตาผู้ถึงแล้วซึ่งความเจริญอัคมาสิได้ไปแล้วปฏิกุลังสู่ตระกูลแห่งผัวทวารคาเมที่บ้านใกล้ประตูจบประโยค อ布拉พาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกอัญยบทสาอัญยบทกุลทีตาอันว่านางกุลธีดานั้นวิชาญิคลอดแล้วปุตตังซึ่งบุตรจบประโยคยักซีนีอันว่านางยักซินีอาคันตวามาแล้วตสาอัญยบทกุลทีตุปียสหายิกาวันเนนะด้วยวันนาแห่งหญิงสหายผู้เป็นที่รัก ของนางกุลติดานั้นปุจจิถามแล้วว่าเปิดเล็กในสหายิกาอันว่าหญิงสหายเมของเราอัญญบดวสติย่อมอยู่กูหญิงอัญญบดฐานเณณที่ไหนอิติ ด, ดังนี้เจ้าประโยคอัญญบดชนาอันว่าชนทั้งหลายอาหางสุกล่าวแล้วว่าเปิดเลขไหนอัญญบท สหายิกาอันว่าหญิงสหายอั ญ, ญบทเตของท่านวิชาตาคลอดแล้วอันโตคาเพในภายในแห่งห้องอิติดังนี้จบประโยคสาอั ญ, ญบทยักษินีอันว่านางยักซินีนั้นสุตวาฟังแล้วตั้งอั ญ, ญบตยว่าจน้นางซึ่งคำนั้นอั ญ, ญบทมุตตวากล่าวแล้วว่า เปิดเลขในวงเล็บเปิดสาเมสหา ย, ยิกาวงเล็บปิดอันว่าหญิงสหายของเรานั้นวิชาตาคลอดแล้วปุตังนุขโขซึ่งบุตรหรือหนอแลจุลภาคอุทาหุหรือว่าวงเล็บเปิดสาเมสหา ย, ยิกาวงเล็บปิดอันว่าหญิงสหายของเรานั้น อัญญบทวิชาตาคลอดแล้วที่ตรังซึ่งทิดาจุลภาคอัญญบทอาหังอันว่าเราประสิสามิจักดูนางอัญญบททารกังซึ่งเด็กนั้นอิติดังนี้ประวิสิตวาเข้าไปแล้วประสันตีวิยะเป็นผู้ราวกับว่าดูอยู่อัญญบทอุตวาเป็นกเหตตวาจับแล้ว คารักังซึ่งทารกขาทิตตวาเขี้ยวกลิ่นแล้วขาตาไปแล้วโจประโยคอัญญบทสาอัญญบทยักษินีอันว่านางยักษินีนั้นขาที่เคี้ยวกลิ่นแล้วตถาเอวะเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวทุติยวาเรปิแม้ในวาระที่สองโจประโยคตติยวาเรในวาระที่สามอิตรา อั ญ, ญบดกุลธีตาอันว่านางกุลธิดานอกนี้คารุข้าเป็นผู้มีขันหนักหุตวาเป็นอามันเตตวาเรียกมาแล้วสามีกังซึ่งสามีอั ญ, ญบทวัตวากล่าวแล้วว่าเปิดเล็กในสามิข้าแต่นายยักษินีอันว่านางยักษินีเอกาตนหนึ่งฐานีในที่หิมะสมิงนี้ คาทิตวาเขียกินแล้วปุดเตซึ่งปตรทั้งหลายทวีสองมะมะของเราคตาไปแล้วจุลภาคอีธา น, นีในการนี้อัญญบทอาหังอันว่าเราคันตวาไปแล้วกุลเคหังสู่เรือนแห่งตระกูลมะมะของเราวิชายิสามิจกคลอดอิติดังนี้คันตวาไปแล้ว กุลเเคหังสู่เรือนแห่งตระกูลวิญา ย, ยิคลอดแล้วจประโยคต์ท่าทาในการนั้นยักษินีอันว่านางยักษินีสาานั้นอุตกาวารังคตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวาระแห่งน้ำโหติย่อมเป็นจประโยคหิเพราะว่ายักษินิโยอันว่านางยักษินีทั้งหลาย อาหาันติโยนำมาอยู่อุทะกังซึ่งน้ำศีษะปรำปรปรายะโดยอันสืบสืบแห่งศีษะอโนตตโตจากสะอโนดาษวาเรนณะตามวาระเวสะวันสะเพื่อท้าเวสวรร์มุจันติย่อมผลจาตุมมาสัจเยนะปิโดยการล่วงไปแห่งเดือนสี่บ้าง ปัญจมาสัจเยนะปิโดยการล่วงไปแห่งเดือนห้าบ้างจ้งประโยคอปราอัญญบทยักินิโยอันว่านางยักษินีทั้งหลายเล่าอื่นอีกกิรันตกายาผู้มีกายอลลำบากแล้วป้าปุนันติย่อมถึงชีวิตตักขยังปิแม้ซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิตจบประโยคปะนะสนว่า สาอั ญ, ญบทยักษินีอันว่านางยักษินีนั้นอุตกะวาระโตมุตตะมัตตาวะผู้สักว่าพ้นแล้วจากวาระแห่งน้ำเที่ยวคันตาวาไปแล้วกรรังสู่เรือนตังนั้นเวเคนะโดยเร็วพูจิถามแล้วว่าเปิดเล็ไหนสหายิกาอันว่าหญิงสหาย เมของเราอัญชบดมัสติย่อมอยู่กูหิงอัญญบดฐานีหน้าที่ไหนอิติดังนี้เจ้าประโยคอัญชบดชนาอันว่าชนทั้งหลายอัญญบดอาหังสุกล่าวแล้วว่าเปิดเล็กในอัญชบดตะวังอันว่าท่านประสิสสิจักเห็นนางอัญญบดสหายิกังซึ่งหญิงสหายนั้น กุหิงอัญยบทฐานเนณที่ไหนจุลภาคยากักษนีอันไว้นางยักษินีขาทติย่อมเขียวกินชาตะทารเกซึ่งทารกผู้เกิดแล้วทั้งหลายฐานเนในที่ิมสมิงนี้ตาสาอัญยบทสหา ย, ยิกายะของหญิงสหายนั้นจุลภาคตาสมาพระเหตุนั้น อัญญบทสาอัญญบทสหายิกาอันว่าหญิงสายนั้นคตาไปแล้วกุละเคหังสู่เรือนแห่งตะกกลอิติดังนี้จบประโยคสาอัญญบทยักษินีอันว่านางยักษินีนั้นอัญญบทจินเตตวาคิดแล้วว่าเปิดเล็กในอัญญบทสาอัญญบทอิถีอันว่าหญิงนั้นคาฉตุจงไป ยะถะอัญญบทถาเนว่าในที่ใดหรือตะถะอัญญบทถาเนว่าหรือว่าในที่นั้นจุลภาคอัญญบทสาอัญญบทอิถีอันว่าหญิงนั้นนะมุตจิตสติจากไม่พ้นเมจากเราอิติดังนี้เวระเวคสมุตสาหิตา กู้วันกำลังแห่งเวนให้อุตสาหะพร้อมแล้วนักราพิมุขีเป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อพระนครอัญโยบทหุตวาเป็นประคันธิแล่นไปแล้วจประโยคอิตราปิอัญยบทกุลธีตาอันว่านางกุลธีดาแม่นอกนี้ทารกังอย่างทารกตั้งนั้นนหาเปตตวาให้อาบแล้วนามัคคะ ฮนะทิวเส ح. ในวันเป็นที่ถือเอาซึ่งชื่อกัตวากระทำแล้วนามังซึ่งชื่ออั ญ, ญบดวัตวากล่าวแล้วว่าเปิดเล็กในสามีข้าแต่นายอิทานี้ในการนี้อัญญบทไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายข้าจ๋ามะจะไปเซกะกรังสู่เรือนของตนอิติทั้งนี้อาทายะอุ้มแล้ว ปุตตังซึ่งบุตรข็าฉันตีไปอยู่มัคเนะโดยหนทางวิหารมัมชชะคาเตนะอันไปแล้วในท่ามกลางแห่งพระวิหารสามิเกนะสัถิงกลับด้วยสามีทัตวาให้แล้วปุตตังซึ่งบุตรสามิกษะสะแก่สามีนหะทัตวาอาบแล้วมิหาระโปกระนิยัง ในสะโบครณีใกล้พระวิหารอุตริตวาข้ามขึ้นแล้วเหตตตวารับเอาแล้วปุตตังซึ่งบุตรจุลภาคสามิเกรครั้นเมื่อสามีนหายันเต อ, อาบอยู่จุลภาคปุตตังปายมานาทีตายืนยังบุตรให้ดื่มอยู่แล้วทิสวาเห็นแล้ว ยักษินิงซึ่งนางยักษินีอากัจฉันติงผู้มาอยู่สัญชานิตตวารู้พร้อมแล้วกตะวากระทำแล้วอุจจาสัทธังซึ่งเสียงอันสูงว่าเปรเล็กนสามิฆ่าแทนายอัญบทตะวังอันว่าท่านเอหิจงมาเวเคณเดเร็วจุลภาอายังอัญบทอิถี อันว่าหญิงนี้สายักษินีเป็นนางยักษินีนั้นอั ญ, ญบทโโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อสกุลตีไม่อาจอยู่สันถาตุงเพื่ออันดำรงอยู่พร้อมยาวะเพียงไรประโยครวบตสะอัญญบทสามิกษัตริอาคมนังแต่การมาแห่งสามีนั้นเนวะติตวากลับแล้ว อันโตวิหาราพิมุกขีเป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อภายในแห่งพระวิหารอัญบทหุตวาเป็นประคันธินล่นไปแล้วโจประโยคกตาสมิงสมัยเยในสมัยนั้นศรัทธาอันว่าพระสัสดาเทเสติทรงแสดงอยู่ธรรมังซึ่งธรรมปริสัมมเจในท่ามกลางแห่งบริษัทโจประโยคก สาอัญญบทคุรธีตาอันว่านางคุรธีดานั้นปุตังยังบุตรนิปั ช, ชาเปตวาให้นอนแล้วปาทปิดเถ ท, ที่หลังแห่งพระบาทตถาคตศาสตร์ของพระตถาคตอาหากราบถูดแล้วเปิดเล็กในเอโสอั ญ, ญบทปุตโตอันว่าบุตรนั่นมายาอันหม่อมฉันที่โนถวายแล้ว ตุมหากงแก่พระองค์จุลภาอัญโบทตุมเหอันว่าพระองค์เทถะขอชงประธานชีวิตตังซึ่งชีวิตปุตสะแกบุตรเม่ของหม่อมฉันอิติ ด, ดังนี้เจ้าประโยคสุมนณเทโวอ่านว่าสุมนณเทพอธิวัตโถผู้สิงสถิตยอยู่แล้วทวารากฏตะเกที่ซุ้มแห่งประตู นัอาทาสิไม่ได้ให้แล้วปวิสิตรงเพื่อนเข้าไปอันโตในภายในยักษีนิยาแกนางยักษินีโจประโยคสถาอันว่าพระสัสดาอามันเตตวาตรัสเรียกมาแล้วอานันทเถรังซึ่งพระเถรังชื่อว่าอานนท์อาหะตรัสแล้วว่าเปิดเล็กในอานันทะดูก่อนอานนท์อัญญบทระวังอันว่าเธอ กัจฉาจงไปจุลภาคอัญญบทตวางอันว่าเธอปะโกสะจงเรียกมายักษีนิงซึ่งนางยักษินีต่างนั้นอิติดังนี้จ้ประโยคเถโรอันว่าพระเถระปะโกสิเรียกมาแล้วต่างอั ญ, ญบทยักษีนิงซึ่งนางยักษินีนั้นเจ้ประโยคอิตราอัญญบทกุลทีตา อันว่านางกุลธิดานอกนี้อาหะกราบทูลา ว, ว่าเปิดเล็กในพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอ า, ายังอัญโบทยักินีอันว่านางยักขินีนี้อาคัจติย่อมมาอิติดังนี้จะประโยคสถาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัแลว้ว่าเปิดเล็กในอัญญยบทเอสาอัญโบทยักินี อันว่านางยักษินีนั่นเอตุจงมาจุลภาคอัญญบทตะวังอันว่าเธอมาอากาสิอย่าได้กระทําแล้วสะทางซึ่งเสียงอิติดังนี้วัตวาตรัสแล้วว่าเปิดเล็กนอัญญบทตะวังอันว่าเธอกรสิย่อมกระทําเอวังอย่างนี้ก็สมาพระเหตุไรจุลภาคหิก็ ซเจหักว่าตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายนะอาคามิสถะจากไม่มาแล้วสำมุขขี่พาวังสู่ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีหน้าพร้อมพุทธสะต่อพระพุทธเจ้ามาธิสสะผู้เช่นกับด้วยเราไซจุลภาคเวรังอันวเวนโบของเธอทั้งหลายกับปฏิติกังจากเป็นเวนตั้งอยู่ตลอดกับ อาภาวิสสะจักได้เป็นแล้วประโยครวบอหินะกุลานังเวรังวิยะอัญญบทจะราวกะอันวเวณของงูและพังพรทั้งหลายด้วยประโยครวบอาชาผันธนานางอัญญบทเวรังวิยะอัญญบทจะราวกะอันวเวณของหมีและไม้สคราอทั้งหลายด้วย ประโยครวบกาโกลุกการังอั ญ, ญบดเวรังวิยะจะราวกะอันว่าเวนของกาและนกเขาทั้งหลายด้วยจุลภาอั ญ, ญบดตุมเหออันว่าเธอทั้งหลายกระโถ่ย่อมกระทําเวรัปติเวรังซึ่งเวนและเวนตอบกสัมมาพระเหตุอะไรจุลภาคฮิเพราะว่าเวรังอันว่าเวน อุปสมณติย่อมเข้าไประ ง, งับอเวอรเรนะด้วยภาวะอันไม่ใช่เวนจุลภาอัญญบทเวรังอันว่าเวนโนอัญญบทอุปสมณติย่อมไม่เข้าไประ ง, งับเวรเรนะด้วยเวนอิติดังนี้ตังอัญญบทยักขินิงกะนางยักิรีนั้นประยครวบอาคันตวาทิตัง ผู้มาแล้วจึงยืนอยู่แล้วอาหารตรัสแล้วค่าถังซึ่งพระคาถาอีมังนี้ว่าหิก็เวรานี้อันว่าเวนทั้งหลายอีทะอัญบบทโลเกในโลกนี้นะสัมมันติย่อมไม่อะไรครับเวรเรนะด้วยเวนกูทาจจนังในการไหนๆจบประโยคจะแต่ว่าอัญบบท เวรานี้อันว่าเวนทั้งหลายสัมมติย่อมระงับอเวเรนะด้วยภาวะอันไม่ใช่เวนจุลภาคธรรมอันว่าธรรมเอโซนั่นสะนันตโนเป็นธรรมเก่าอัญบทหวติย่อมเป็นอิติทั้งนี้จดประโยคค่าถาปริโยสาเน ในการอันเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระกาถายักษีนีอันว่านางยักษีนีสานั้นปฏิทหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิเลในโสดาปฏิผลโจประโยชน์เทศนาอันว่าเทศนาสาติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยประโยชน์อโหสิได้มีแล้วสัมปตตปริสายปิ แม้แก่บริษัทพูดถึงพร้อมแล้วโจประโยคสถาอันว่าพระสัสดาอาหะตรัสแล้วว่าเปิดเล็กไหนอัญญบทตะวังอันว่าเธอเทหิจงให้บุตังซึ่งบุตรตวะของเธอเอติสาอัญญบทยักษินิยาแกนางยักษินีนั่นอิติดังนี้ตั้งอิติถิงกะหญิงนั้น จบประโยคอัญญบทสาอัญญบทอิถีอันว่าหญิงนั้นอัญญบทอาหะกลับถูล้วว่าเปิดเล็กในพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอัญญบทอาหังอันว่าหม่อมฉันภายามิย่อมกลัวอิติดังนี้เจบประโยคอัญญบทสถาอันว่าพระศาสดาอัญญบทอาหะ จัดแล้วว่าเปิดเล็กในอัญญบทตะวังอันว่าเธอมาพายิอย่ากลัวแล้วจุลภาปริปันโถอันว่าอันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบนติย่งไม่มีเตแก่เธอนิสายะพระอาศัยเอตังอัญญบทยักษินีซึ่งนางยักษินีนั่นอิติทั้งนี้จะประโยชน สาอัญญบดอิถีอันว่าหญิงนั้นอาทาสิได้ให้แล้วปุตตังซึ่งบุตรตสาอัญญบทยักษินิยาเกนางยักษินีนั้นจประโยคสาอัญญบทยักษินีอันว่านางยักษินีนั้นขะเหตตวารับเอาแล้วตังอัญญบดปุตตังซึ่งบุตรนั้นจุมพิตวาจูบแล้วอาลิงคิตวา กอดแล้วทัตวาให้แล้วปุณะมาตุเอวะแกมานดาอีกนั่นเทียวอาระพิเริ่มแล้วโรติตุงเพื่อนร้องไห้โจประโยคอาถะครั้งนั้นสถาอันว่าพระสัสดาปุจิกระถามแล้วนางอัญบทยักขิหนิงซึ่งนางยักษินีนั้นว่าเปิดเล็กใน เอตังอัญโบทการะนังอันว่าเหตุนั่นกิงอะไรอิติดังนี้จะประโยคอัญโบทยักศินีอันว่านางยักศินีอัญโบทอาหากลาบถูแล้วว่าเปิดเล็กนายพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหารอันว่าหม่อมฉันกับเป็นตีปิแม้สำเร็จอยู่ชีวิตตังซึ่งความเป็นอยู่ ยถาโดยประการใดต้ถาโดยประการนั้นปูเพในการก่อนณอรหถังไม่ได้ได้แล้วกุชิปูรังอัญญบทอาหารังนามะชื่อซึ่งอาหารอันยังท้องให้เต็มจุลภาคอิธานิในการนี้อัญยบทอาหางอันว่าหม่อมฉันชีวิสามิจักเป็นอยู่ กระถังอย่างไรอิติดังนี้จะประโยคอาถักครั้งนั้นสถาอันว่าพระาศาสดานางอัญญบทยักษีนิงซึ่งนางยักษินีนั้นสมัสสาเสตาวาให้เบาใจพร้อมแล้วอัญญบทวจนีนะด้วยพระดำรัสว่าเปิดเล็กในอัญญบทวังอันว่าเธอ มาจินตยิ่งอย่าคิดแล้วอิติดังนี้อาหารตรัสแล้วเปิดเล็กในอั ญ, ญบทตะวังอันว่าเธอเนตวานำไปแล้วอีมังอั ญ, ญบทยักขีนิงซึ่งนางยักษีนีนี้นิวาสาเปตวาให้อยู่แล้วเคเหนในเรือนอัตโนของตนปฏิชคาหิจงปฏิบัติอัคยาคุพัตเตหิ ด้วยข้าวยาคูและพัดอันเลิศทั้งหลายอิติดังนี้ตั้งอิถิงกระหญิงนั้นจบประโยคสาอัญญบทอิถิอันว่าหญิงนั้นเนตวานำไปแล้วตั้งอัญญบทยักษินิงซึ่งนางยักษินีนั้นปฏิฐาเปตวาให้ดำรงอยู่เฉพาะแล้วปิฐิวังเสในโรงแห่งกระเดื่องปฏิชักข ปฏิบัติแล้วอคยาคุพเตหิด้วยข้าวยาคูและพัดอเลิศทั้งหลายจจประโยคมุสลังอันวสาอุปัถาติย่ำปรากฏตัสสาอเนบทยักขินิยาเกนางยักินีนั้นมุตทางปารันตังวิยะราวกับว่าประหารอยู่ซึ่งศีรษะวีหิปหารณะกาเล ในการเป็นที่ซ้อมซึ่งข้าเปลือกโจประโยคสาอัญญบทยักษีนีอันว่านางยักษีนีนั้นอามันเตตาวาเรียกมาแล้วสหายยีกังซึ่งหญิงสหายวัตาวากล่าวแล้วว่าเปิดเลขในอัญญบทอาหางอันว่าเรานาสกิษสามิจักไม่อาจวสิตุงเพื่อนอยู่ฐานเนในที่อิมัสมิงนี้จุลภาค อัญบทตะวังอันวทันมังยังเราปฏิทถาเปหิจงให้ดำรงอยู่เฉพาะอัญยะะอัญบทฐานเนในที่อื่นอิติดังนี้ประโยครวบอัญบทสหายิกายะมุสละสาลายังอุทกะจาติยังอุทธเนนิมภะโกเสสังการกูเต คามทวารอิติเอเตสุฐานเนสุปฏิทถาปิตาปิแม้ผู้หญิงสหายให้ดำรงอยู่เฉพาะแล้วในที่ทั้งหลายเหล่านั้นคือในโรงแห่งสากที่ตุ่มแห่งน้ำที่เตาที่ชายคาที่กองแห่งหยากเยื่อทอี่ประตูแห่งบ้านปฏิคิ ป, ปิห้ามแล้วตานี้อัยบทฐานานี้ ซึ่งที่ทั้งหลายเหล่านั้นสภ า, านิทั้งปวงอัญญบทวจนีนะด้วยคำว่าเปิดเล็กนมุสลังอันวาสาอุปถาติย่อมปรากฏเมแก่เราอิทะอัญญบทมุสละสาลายังในโรงแห่งศาสนี้ประโยครวบสีสังพินทันตังวิยะราวกับว่าทำลายอยู่ซึ่งศีรษะ จุลภาคารกาอันว่าเด็กทั้งหลายอุจจิตุทกกังยังน้ําอันเป็นเดนโอตาเรนติให้ข้ามลงอยู่อิทะอัญญบทอุตกะจาติยังที่ตุ่มแห่งน้นํานี้จุลภาสุนัขาอันว่าสุนักทั้งหลายนิปัจจันติย่อมนอนอิทะอัญญบทอุดทธนี ที่เตา่านี้จุลภาคคารกาอันว่าเด็กทั้งหลายกรนติย่อมกระทําอสุจริงซึ่งของไม่สะอาดอิทะอั ญ, ญบุตรนิมภโกเสที่ชายคานี้จุลภาคอั ญ, ญบุตรชนาอันว่าชนทั้งหลายชาติเทนติย่อมทิง้งกระจาวรังซึ่งอยากเยื่ออิทะอั ญ, ญบุต สังการะกูเตที่กองแห่งอยากเยื่อนี้ชุลภาคามาธารกาอันว่าเด็กในบ้านทั้งหลายกระโณนติย่อมกระทาละขยโยขังซึ่งการประกอบด้วยคะแนนอิทะอัญญบทขคามาถธวาเรที่ประตูแห่งบ้านนี้อิติดังนี้จบประโยคอาทะครั้งนั้นสา อั ญ, ญบอิธีอันว่าหญิงนั้นนางอัญญบตยักษินิงซึ่งนางยักษินีนั้นปฏิถาเปตตวาให้ดำรงอยู่เฉพาะแล้ววิวิตโตกาเสในโอกาสอันสงัดแล้วพระฮิคาเมในภายนอกแห่งบ้านริตตวานำไปแล้วอาคายาคุพัตตาทีนี้อัญญบทวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลาย มีข้าวยาคูและพัดอัลเลิรเป็นต้นตัดสาอัญญบทยักษีนิยาเกนางยักษินีนั้นตถาอัญญบทพระหิคาเมในภายนอกแห่งบ้านนั้นปฏิชกิปฏิบัติแล้วจรประโยชน์ยักษินีอันว่านางยักษินีสานั้นจินเติคิดแล้วเอวังอย่างนี้ว่าเปิดเล็กในสหายิกา อันว่าหญิงสหายเมฆของเราออย่างนี้พระหูปะการาเป็นผู้มีอุปการะมาโหติย่อมเป็นอิธานิในการนี้จุลภาหันทะเอาเถิดอาหารอันว่าเรากรโรมิจะกระทากินจิซึ่งอะไรอะไรปฏิกุณังให้เป็นคุณตอบอิติดังนี้ จุลภาอัญโบทสาอัญญบทยักษินีอันว่านางยักษินีนั้นอารโอเจสีบอกแจ้งแล้วสหายิกายะแก่หญิงสหายว่าเปิดเล็กในสับพุทธิกาอันว่าฝนดีพรวิสติจักมีสังวัชเรในปีอิมัสมิงนี้จุลภาคอัญโยบทวังอันว่าท่าน กรโรหิจงกระทาสัสสังซึ่งข้าวกล้าทลัตถาเนในที่ดอนจุลภาทุกพุติกาอันว่าฝนแ้งพระวิสติจักมีสังวัชเรในปีอิมสมิงนี้จุลภาอัญญบทวังอันว่าท่านกรโรหิจงกระทาสัสสังซึ่งข้าวกล้านินนะฐาเนเอวะในที่ลุ่มนั่นเทียว อิติทังนี้จะประโยคเสสะชนีหีกระตะสัตสังอันว่าข้าวกล้าอันชนผู้เหลือทั้งหลายกระทำแล้วนัสติย่อมชิบหายอติอุทเกณว่าด้วยน้ำมันเกินหรืออนโนทเกณว่าหรือว่าด้วยน้ำอันน้อยจะประโยคสัตสังอันว่าข้าวกล่าตัดสาอัญบอิธิยา ของหญิงนั้นสัมประชติย่อมถึงพร้อมอติวิยะเกินเปรียบจบประโยคอถะครั้งนั้นอัญญบดชนาอันวาชนทั้งหลายผู้จิงสุถามแล้วนางอัญญบทอีถิงซึ่งหญิงนั้นว่าเปิดเล็กนอา ม, มะฆ่าแต่แม่ศสนเอันวาเข้ากล้าตยากตังอันอั น, อนท่านกระทำแล้วณณสติเอวะ ย่อมไม่ชิบหายนั่นเทียวอจโตเกนะด้วยน้ำมันเกินจุลภาคนะนะสติย่อมไม่ชิบหายอนโนทะเกนะด้วยน้ามันน้อยจุลภาคอั ญ, ญบท ต, ตะวังอันว่าท่านยะตะวารู้แล้วสับพุทธิทุพทธิภาวังซึ่งความเป็นแห่งฝนดีและฝนแรงกรโรสิย่อมกระทำกรมมังซึ่งการงาน อัญญบทกิงหรือจุลภาคเอตังอัญญบทการนังอันว่าเหตุนั้นกิงนุโขอะไรหนอแลอิติดังนี้จะประโยคสาอัญญบทอิทธอันว่าหญิงนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าเปิดเล็กในยักษินีอันว่านางยักษินีสหายิกาผู้เป็นสหาย อัมหากังของเราทั้งหลายอาจิคติย่อมบอกสุพุทธิทุพุทธิภาวังซึ่งความเป็นแห่งฝนดีและฝนแรงจุลภาคไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายกระโรมาย่อมกระทำศาสนานี้ซึ่งข้าวกล้าทั้งหลายทะละนินเนสุในที่ดอนและที่ลุ่มทั้งหลายวันจนีนะตามคํตาตรัสราอั ญ, ญบุตรยักขินิยา ของนางยักษินีนั้นจุลภาคเตนะพระเหตุนั้นสสังอันว่าข้าวกลา้าโนของเราทั้งหลายสัมปัจติย่อมถึงพร้อมจุลภาคอัญญบทุมเหอันว่าท่านทั้งหลายนะปัจสถะย่อมไม่เห็นยาคูปัตตาทีนี้อัญญบทวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้นอัญญบทัมเหหิ อริยะมานาน ni อันอันเราทั้งหลายนำไปอยู่ k h e โตจากเรือนอัมหากังของเราทั้งหลายนิ่พระทางหนึ่งนิดกิงหรือจุลภาตานี้อัญญบทยาคุพระตาทีนี้อัญญบทวัตถุนี้อันว่าวัตถุทั้งหลายมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้นเหล่านั้น อัญบดอัมเหหิอันเราทั้งหลายริยันติย่ำนำไปเอติสาอัญบทษยักขีนิยาเพื่อนางยักษีนีนั่นจุลภาคตุมเหหิปิแม้อันท่านทั้งหลายรัถะจงนำไปอัคยากุพตาทีนี้อัญบทวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลาย มีข้าวยาขูและพัดอล e r t เป็นต้นเอติสาอัญบทยักขีนิยาแก่นางยักษีนีนั่นจุลภาคอัญบทสาอัญบท ย, นนยักษีนีอันว่านางยักศินีนั้นโอโลเกสติจากแลดูการมันเตซึ่งการงานทั้งหลายตุมหากังปิดแม้ของท่านทั้งหลายอิติดังนี้เจ้าประโยค อาถาครั้งนั้นอัญโยบทชนาอันวชนทั้งหลายสกลรนคราวาสิโนผู้อยู่ในพระนครทั้งสิ้นโดยปกติกริงสุกระทาแล้วสาการังซึ่งสาการะอัฏสาอัญญบทยักขินิยาแก่นางยักษินีนั้นจบประโยชนสาปิอัญญบทยักษินีอันว่านางยักษินีแม้นั้น โโลเกนตีแลดูอยู่กมันเตซึ่งการงานทั้งหลายสเพสังอัญโยบชนานางของชนทั้งหลายทั้งปวงปัทยะจำเดิมตะโตอัญโยบกาละโตแต่การนั้นลาภคับปัตตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งลาภอันเลิศมหาปริวาราเป็นผู้มีบริวารมากอโหสิได้เป็นแล้ว โจประโยคอปรภาเคในการนั้นเป็นส่วนอื่นอีกสาอัญโบทยักคินีอันว่านางยักซินีนั้นปัทเธเปสิเริ่มตั้งไว้แล้วสลากะพัตตานี้ซึ่งสลากะพัฒทั้งหลายอันท่าแปดจประโยคตานี้อัญโยบสลากะพัตตานี้อันว่าสลากะพัฒทั้งหลายเหล่านั้น อันยบเชนีหอันชนทั้งหลายยาวะอชกาลาทียันติเอวะย่อมถวายเพียงไรแต่การอันมีในวันนี้ท่านเทียวเจวประโยค ก, กาลียักษณิยาอุปปติวัตถุอันว่าเรื่องแห่งความเกิดขึ้นแห่งนางยักษณีชื่อว่ากาลีอีทางนี้อันยบนิธิตัง จบแล้วจะประโยค